อันีีใครที่สวดมนต์เป่นใจปกครองคือได้บรรดาพาคุณโศกพุทีเป็ส่วนจ็ดปากสองโมงครัวเกิดสองชัโวโมงคนสวดอดุเด็อนี้ปกครองเมืองกระต้นคนสวดโทษขั้วสามสามสามลีลาพุทธพุทธมากเปิดสวดอะเพิ่มเพิ่มนี่บนภูเขาเนี่ยเปิดมนตนี่แล้วไปฟังนี่สองชั่วโมงนี่ขยันแต่แต่พุทธก่อนเปวดมนต์อยู่เก่งสวดผู้เดียวคนเนี่ย ปพุ่มพุ่มพุ่พุ่มเล้อสือค่อยจับเศษจงเอาเยอะแร้าเขาไม่ดูู้งแจ้เพื่อนบุรีเลกสือวิทยาถายังบถึที่ต่ำที่ต่ำไปเลยทว่าหายพ่อแต่เพื่อนบุรียังวิทาถามิดเป็นเปิสูงเ้ยในที่การสุรกิจท่บอสบ่ต้องเลียหลายเลียขายที่เลีจะนหนึ่งขายที่เลีเกี่ข้าใจยังเดียวพอ อถ้าพูดแล้วนะไม่ต้องเรียนสูงค่าคนามขี้เกียจออกจากหัวใจเท่านั้นเท่านั้นหมดเลยตั้งแต่คำว่าขึ้นไปขึ้นบนตะกิดแปลว่าค่าคนาขี้เกียจเข้าไปได้เงินทองมรดกบัตดไหลเลยอถ้าพระศัีนินทําก็เจริญก้าวหน้าเอ้ไม่ต้องเรียนสูงไต่ขี้เกีย จ, จยตัว ข, ขวี้เกียจออกเท่า น, นาาาาั้นพอคนาขี้เกียจหลุดกิจการหมดทุกอย่างนอนก็นอนตามมาเพลย์ใจกินก็กินตามมาเพอยใจ เล่นก็เล่นตามอาเภอใจพูดก็พูดตามอาเภอใจมีทันว่าเป็นสายทางเรื่อของอํนนานาจกิเลสซึ่งฝังใจมนุษย์มาแต่กับไหนกันไหนนับไม่ถ้นอกจากพระอริยเจ้าองค์ผูเ้เจ้านั้นทรงรู้ทรงเห็นด้วยคิดพระจะคุยจาตาจิตตาใจกันว่ามองพโนดดีกับดีเกิดดีกับทีท ก, บท ก, บทกันรูน้หมดคนธรรมดาบุตรชนคิดไม่ได้ ไม่รู้ที่มาเกิดก็ไม่รู้มาจากไหนที่จะตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนหาะผู้มีทำภายในใจตั้งแต่คระโสดบันขึ้นไปโดยอย่างน้อยผู้มีบุญผู้สนเป็นพีเลี้ยมหัวใจนี่ก็แน่นอนเพราะความสมบุกสมบูมณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องในหัวใจเนี่ยเกี่ยวกับการฝึกใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากนักบัติทั้งยินชมเชยมากการฝนกใจก็ฝึกได้ที่เอความรู้เข้ามาประกอบเป็นค่าความที่เดียวนั่นเอง จะปฏิบัติอิมีริยลส้ม um ้เอกมชัยิจเตงเดียวนะ้วปลุกให้ตรงนี้ตามความุตสัตย์ชุฤทธิ์ยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยเป็นประโยชน์ต่อลูกตัวหลานที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณไม่มีโทษเลยแจึงเด่นตรงนี้นี้เก็บไปทิ้งหมดสิลงเหี่ยวหมดความชุตสัตย์ชุติฤทธิ์พอพูดแล้วขวางกันทันทีเข้าขักันมาได้เพราะมันทำแต่ความุติิ เอาคื อ, อความสูขสัจจคติเลยเข้ามันก็บวกกันก็ขัดกัน่างทีขัดแย้งกันก่างทีแต่ฝ่ายนั้นเสียเปียบคือฝ่ายผู้มีความบริสุทธิส์สมบูรณ์แล้วท่านไม่สนใจพอหุดไม่ได้ก็ปล่อยฝ่ายนั้นก็ลงทะเลลงไปเล ย, ยมันจะดท้ายกรรมดำกรรมมืดไม่ใช่กรรมเผาเลยทิกรรมดกำกรรมมืดมืดมิดปิดตาล้ลงหมุดล้ไห้โซบาปริเทคเอออปริโทวัตุวข์เป็นว่าทวัตุข์ คนยุทธท่าก็ต้องโ้กเพกรรมตัวเองทําเองทุกข์เพราะตัวเองคนเรานี่ทุกข์เพราะความคิดของตัวเองในติดตุ๊บก็ อ, อย่างนทันจึง เ, าาเอาสินธรรมนี่ไปแก่อยู่จะพูดให้ ฟ, ฟังเพื่อตื่นสติหากเราไปคิดไปอ่านไปนแก้ไขไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องเรียนมากให้พุโทโธตัวเดียวท s u f f แล้วดิบมาหนึ่งก็ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนั้นอยา่างเถอะพอแล้วเหลือกินเขาสร้างพุโทโธตัวนี้ พพุทโธนายพุทโถขึ้นมากันนั่นเองพุทธาตัวนั้นยังนอนเงียบเลยมีแต่พุทโธปลอมนี่หลอกลวงทั้งวันทั้งวันรู้นั่นเห็นนี่คิดนู้นคิดนี่พุทโธนี่พุทโตพุทโธปลอมออกมาพุทโธหลอกลวงพุทโธต้มตุ๋นพวกเราให้แหลกกระจเงไปหมดเลยเนี่ยจึงอาศัยธรรมธรรมชาติคือความจริงออกจากพุทโธผู้เด่นนั้นท่านยิงแยกออกไปนี่ประเภทนี้คือเจตสิกที่ทําให้เราให้เสียท่านจะเอาพุทโธตัวนี้เข้าไปหลอกเลี้ยงก่อน ขุดโทนี้เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วกอฝังไว้ในหัวใจก่อนเอาตัวนี้เป็นขึ่งยึดเหนี่ยวไม่ให้อื่นตัวชึ่งยึดเหนี่ยวอันนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นแล้วก็ชำระเพ่วนมันกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ้าจิตมันเกาะคุณโทแล้วมันจะกําังชำระไปในตัวถ้าเกาะพุ๊บก็ชำระไปในตัวชำระวันนี้ไปบําระวันหน้าถ้าชำระมากขึ้นมาถึงจิตมีกําลังสงบถึงฝ่ายข้าอารมณ์ขุดโทตอนั้นเด้งขึ้นมาเห็นจริงดูสิทีโหอัศจรรย์เลยอดพูดไม่ได้ ใครโดพูดได้แต่ให้พูดนานไปทําดูสิหลูงปู่ขาวสิบหกปีท่านเอาเดินกมกรมสามเส้นวันหนึ่งข้ามข้ามข้ามเดินมุกรมตอนบ่ายไปเดินเส้นนั่นตอนเย็นไปเดินเส่นนี่เดิหมาไอ้เรานี่ยโอ้ยไนี่หลวงพ่อมาพูดเฉยตัวเองไม่มีท่าหรอกนี่คํานักกวชที่มาพูดให้พวกเราฟังไอ้เราไม่มีท่าเลถ้าเทียบกับท่านแล้วเหมือนน้าลายม้วนขิ่งเลยแต่ว่านี้เลยนะเทียบไม่ได้เลยเดินมกรมนั่งภาวนานี่ไปตอนเช้าไป ทำจิตวัดเขาทำแล้วดูหนาวอไปทำจิวัดกัท่านคือให้ท่านนอนข้างนอกเพราะวันหนาวอายุเกตติดกลัวแล้วติดไปให้ท่านฝีเนีท่านนั่งภาวนาตันิ่งยินกลัวท่านจะออกจึงเข้าไปได้มองเห็นแล้วไปพูดกันสุดจิตจิตไม่ได้ถ้าปฏิบัติทา่านเคารพกันมากในเรื่องนี้พวกเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยแม้ถึงเดินกับกลัเดินเข้าไปจบางทีไล่จะเปิดเลยใครบอกให้มากันหวามาทำมาได้ปรยู่อะไรกันว่า ต้องสังวีนระวังมากการไปกัรขึ้นไปคุยกันสุกๆุกุกสิบไม่ได้เลนี่เราคงพอได้เห็นแต่พูดแล้วนี่ยกวาสน า, นาว่ามีวาสนาพอได้เห็นพบนักป่านุกสิทธิ์สายท่านอาจารย์มั่นเราได้เห็นท่านปฏิบัติมาความประหยัดนี้ก็ไม่ต้องพูดไอเรานี่มันชู้ลุยชุ้ลายเทียบไม่ได้เลยพาที่เดียวก็ทิ้งไม่ได้นั่งเก็บมนี่เป็นแบบฉบับท่องทางเนี่ยท่องทางธรรมท่านผ่านสงครามโลกคนยสมัยกําเสร็จ ท่านว่าได้จักไม่ไผนี่ตะปากผ่านไดิไอพ้พวกผ่านพวกผ่านทั้งนั้นไอน้อเรื่องนิ่โลกมันเจริญมันร่ำรวยมากมีแต่โลกเศรษฐีมันร่ำรวยมากแล้วนี่ก็เลยไม่รู้จะเก็บเลยทิ้งหมดเลยทิ้งกิ่งเก็บฐีไปไหนเศรษฐีขี้ทุกขันี่นแหละไม่ใช่กิ่งขี้เริ่มรวยอะไรหรอกทิ้งหมดเลยยิ่งว่าสร้างวัจนี้สร้างยากจริงๆไม่ใช่สร้าง ง, างา่ายๆต้องมีสิ่งที่พูดไปแล้วหนึ่งผู้บาอาจารย์ผู้นำสอง นะดูป่าเขาที่เหมาะสมต้องเป็นที่ไม่มีเรื่องโลกเข้าไปเกี่ยวโยกเกี่ยวยุ่งวุ่นวายอันนี้พอไปไหวถ้าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยเสร็จตัวท่านผู้หัวหน้าดีจะรุมน้องไปไม่หลับพังหมดเพราะอํานาจจริงอรมยสุษากับกิจที่จะไม่เป็นธรรมน้นเข้ากันได้สนิทเอาได้สนิทเลยหลงไปวันละเลกแต่น้อยจอมไปได้ดีเลยแต่กิเป็นธรรมไม่เป็นมันไม่สนใจเอย่างนั้น มึงหาคนละเอียดนี่พูดพูดให้ฟังมีจะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าสร้างบารมีให้ฟังนั่นแต่ทานนันบารมีแต่เราเราจะจําำก็แต่บางบางชาติที่เราจําได้ทานบารมีนี่ชาติพระองค์สรส้างศิลชาติช า, า, าติที่ต้องบูุมคือทางทาะบารมีบารมีเต็มที่แหละท่านถึงทางตั้งหาสัตว์เลยดูสิท่านหวดข่านอะไรจริที่เขาบอกเป็นสร้าง เมืองเป็นสร้างอะไรเป็นปมะโยเก็บเมืองเป็นสร้างเมืองเมืองเป็นเป็นสร้างที่เป็นมูงคนแก่ประเทศชาติมากเข้าองค์ทางหมดจนเมืองสีผีขับไล่ว่าพราะองค์เป็นคนกระเราะกนีทานมากไปทานจนไม่รู้ภรรยาประทานหมดลูกลูกเมียเอ อ, อ, เ อ, อภรรยาภรรยายทานหมดเข้าของอะไรให้เท่าไรทานหมดไม่มีเหลือไปทานลูกกับภรรยาี่ไปทานในเขามกุฎขี้ดี เนี่ยพ่อก็เป็นกษัตริย์บรรดาไปทาชาชนหมือนพว่าพวกเรานี่แหละถ้าเป็นพูดยุบนี่ประชาชานทั้งหลายไปคล้องในหลวงบอกว่าคนไล่หนีพระองค์ก็เลยขอตะเกียบวันถ้าจะไล่จริงๆขอตะเกียบวันจอมให้นี่ยับารมีท่านเต็มที่แล้วใครจะพูดะอะไรไม่สนใจอันนี้บารมีมองแล้วว่าเปประโยชน์แต่พระองค์พระองค์สร้างพระบารมีมาไม่สนใ จ, นนใ จ, จกับใคร เป็นพ่อก็ตามไปก็ตามเพราะว่าอำนาจทานนี้มันเด็ก ท, าท่านจึงยกพระเวทสันดานนี้ขึ้นมาเขาเก็บบันทึทานกเต็มที่ทางเสร็จแล้ ว, รลวพระบวรกับเราสมัยสมัยพระชายากับลูกทั้งสองยินดีออกไปด้วยเลยน่น อ, ออกไปด้วยที่ประกาศเดินทางแต่บรมีของพระองค์พอเดินไปเหมือนไม่ได้เดินเหมือนแผ่นดินนี้มันก้าวนิดเดียวก็ถึงเขาวงกตก็ดีแล้วเพราะอำนาจบุญบรมี นั่นเขาไปอยู่นั้นทไเลเก็บปีเก็บ เ, ด, เ, ด, เ ด, ดือยในไรชาวเวืองีพีไม่มีท่าเลยทั้งครอบแห้งแล้งเก็บปีเก็บ เ, ด, เดือนผลไม่ตกเพราะเขาเป็นศรนั่นะอานาจเขไม่เห็นขึ้นกับคนว่ า, าการอะไรไเห็นเกี่ยวนีความตัดกงจริงที่พระองค์ทรงสร้างมาฐานาบาลีไปนูก็ยังทานลูนกีบกันหาสลีทานเรียกพุทให้มองมาตายเลทังทางาทานนุกขนพานีกเองอนางเอ อะไรเดงนซื้อไป้พระเหตุนอนกันนางเดินสือไอ้นี่นางมัตชีนางมัตชีจบได้เวลาเดินจากไปนางมัีให้มองเห็นมา่ตายกรับนางมัตีนี่พอเหตนี้ตายมันเป็นใครอรปถัมก็เลยแปลงเพดลงมาเป็นผาขอนางมัสีเถอะให้ทันทีเลยยกให้แต่ข้บพุทยญาธิการอ่า พระอยู่บอกว่าให้ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์สบายคืนแต่ห้ามไม่ให้ตาในไข่หนักดูสินี่เราพูดเพียงจยาะยอ้ยนี่สมัยเป็นพระเวดเด่นที่สุดคือกานให้ทาต่อมาที่นี่ขันตีบาลีเก่งที่สุดคือพระเตยูคือมองเห็นระลอกเหมือนไฟเป็นเปลวจดฟ้าเพราะการที่พระองค์เป็นกษัตรย์เคยฆ่าต่อคนมามากาหารมามากเห็นบากเป็นกรรมถังขนาดนั้น ถ้าเราพูดน hmm. <é. S 1> ี้เขาจะจับเราเป็นของเป็นกระดาษดีตามประวัติเพิพูดอย่างเงี้ยไม่พูดเฉยเลยคกูนิ่งลูกเดียวเลยเหมืนคนไบไม่พูดพ่อเห็นนี่เห็นไปแล้วใครจะไปกระโดดเข้าไฟวะอันนั้นตาในมันเห็นบาปถ้าพุณลองมองเห็นบาปอย่างเห็นไปจริงยุคใครจะไปกล้าทำอันนี้ไม่เห็นอย่างเงี้บาปก็จำได้ไต่ชื่อแต่เอามันอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลยมืดตื้อพูดพูดได้แต่บาปแต่ไม่เห็นบาป บรรดาพระยเจ้าทั้งหลายผู้มีตาในท่านเห็นหมดแล้วจิตนี้ตั้งแต่พระสุรบรรข้นไปกิตนี้มองเห็นโทษได้ไม่ทำไม่ทำบาปมีพูดถึงเรื่องพระแระเตมีือเขาจับออกไปจะไปฝังพระ อ, องค์อะไรมาทรมานเอาไอ้คนที่จะจับพระ อ, องค์อจับมากไอ้จับรถลองกําลังดูจะสู้เข้าไว้หวไหมไม่ได้นั่นนั่นพระ อ, องค์ตอนนั้นบก็ันเลย นี่เป็นขันติบาลมีอันนี้หมายถึงสิทชาตินะตั้งแต่สร้างมาตั้งเล็กๆล็กน้อย ล, ล่มรูปภูเขานนั้นไม่ต้อพูดนี่พูดชาติใหญ่ชาติที่สมบูรณ์แล้วที่พูดนี่นะนะจำไม่มดีไม่ใช่ว่าพลาดชาติเล็กเน้อยๆที่พระองค์สร้างมาไม่ต้องพูดมันกี่การกี่กันพระองค์ทรงบำเพ็มาเตในชาติสุดท้ายก็ยคือพระเตมีนี่สมบูรณ์ด้วยขันติบาลมีทีนี้จากนั้นแล้ว่เมตตาบาลมีก็คือเป็นชุวรันสาม นี่เมตตาสัตเมตตาพ่อแม่ตาบอดทั้งสองไปเลี้ยงดูไม่ไดมีครอบครัวเลยคงพระนางมัธีอาจจะไม่มาเกิดด้วยไม่ร่วมด้วยคงไม่ได้พบกันคู่บารมีอันนี้เท่าก็เลยปฏิบัติอันนี้พูดเพียงย่อๆอันนี้ก็เป็นอเมตตาบารมีขึ้นสุวรรณสามเห็นทัจน์บารมีในทาศน์ไม่ผิดคงเป็นกุลิทัศน์นักพลาดชงปดอาหาร ไม่แสดงหากินเลยนี่แต่ละชาติแต่ละชาตินะที่ปัญญาบาลาีนี่คือสายเป็นมโหสถอันนี้ร้อยเอกหัวเมืองที่จะมาล้อมพระองค์นี่ ต, ตามตําระบเราเพราเราอา่านนี้จะสร้างพระองค์สร้างมาสร้างมาทั้งร้อยเอกหัวเมืองที่จะเอาเพราะองค์เอาไม่ได้พระองค์ไม่ได้ใช้ปืนทัรดอยเพียงแตขุดอุโมงค์ล่ออะไรท่านฉลาดโผขึ้นไปนในกองทัพเลย เนี่ยตามท่านท่านเล่าไว้แล้วก็เพียงก็โผขึ้นโพนนั้นเห็นท่านนั้นเองยอมเองด้วยอํานาจบาลมีที่พระองค์ทรงสร้างมานี่เราพูดถึยงกายอมนี่สมัยปัญญาบาลมีเลิศมากร อ, อ, อบครอบเก่งมากขนาดร้อยเอกอเมียเอาเมียงเดียวไม่ได้หมายถึงพวกโหมดสดน่ะไม่เองไม่เห็นได้เอาปืนเอาอะไรที่จะไปลบไปเลวไม่มีใช่คนปัญญาอย่างเดียวคนฉลาดอย่างเดียวนี่เราพูดถึงการสร้างบา ร, รมีไอ้พวกเรานี้มันยังบาลมียังอ่อน ก็ยังร้มลุกคลุกคลานแ้วก็ต้องพยายามไปเส้นการให้ทางที่พูดบนต้นนั้นแล้วขอให้มันย่อมติดสักหน่อยให้มีใจเป็นกุศลสักหน่อยเดีวความเชื่อความน้ำใสถึงไม่น้อยมันก็จินใจมันก็จินเข้าไปจินเข้าไปเป็นกุศลสะอาดสะอาดทาันจทีหวังการให้ทานจาทาะทําเข้าเป็นพิธีอันนี้ทำเขาเป็นพิธีนะที่ทํากันมาทั้งหมดไม่ไดีดูถูกอย่างทเข้าเวสันต์ตดอนอย่างนี้บุญโพธิอย่างนี้ก็ทำเขาเป็นพิธีปั้านเมืองของหลักคนทีศาล ถึงนั่วดูก็ทำบนพระเวเกต์แล้วก็ทำกันหลอนไปแล้วก็ไปุนแห่กันแล้วก็ตีหัวกันกินเหล้ากันอนะไรนั้นนี่เขาบอกพิธีศาสนาไม่ใช่ตัวจริงนั่วดูที่พระเวเตัานทำนทาท่านให้คนยากคนจนมีเท่าไหร่ทานลงไปด้วยความอู่สงสารไม่ได้ทานเพื่อเอาผลประโยชน์จากการให้เขาไม่เหมือนปฏิวัตินี้ทานไม่ให้ทานกระเมินให้เขาแล้วอยากได้อะไรถึงอากเขาอันนี้มันเลยเรีทานอันนี้พระเวเตไม่ได้คิด ให้ในหลวงตาบัวให้สมมติว่าชื่อยุ๊กนี้ท่านเป็นจิตบริสุทธิ์ให้ไม่ได้มุ่งอะไรกับให้จริงจริงไม่ไม่ไม่มุ่งค่าต่อแกนให้ดุจบริสุทธิ์จริงจริงอนี้หายากนิจนุเป็นฐานะบารมีมีจนสร้างเพวกเราก็บางเพ็ญไปก็ต้องให้บำเพ็ญอย่างนะ้นให้มันถูกหลักถูกศีลถูกธรรมถูกหลักความจริงของพระพุทธเจ้าทรงทานันไปเลยพวกเราจึงเกได้ก้าวเดินเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามลั่นลอยสัจธรไปเลย มึงจะพูดถึงเรื่องการสร้างบารณีในชาตสุดท้ายนี้เด่นเด่นเด่นไม่สนใจกับใครการเป็นเจมีก็เหมือนกันไม่สนใจกับกับปกครองลาดสมบัติให้มากน้อยเท่าไรไม่เกี่ยวเพราะอื่นตัวแล้วพวกจะตกตันุษยังเดียวถึงอดทนเลยพวกเขาจะจับเป็นกระตั์นะ<ม>ตอีกน่าเด่นกไปเลยอันนี้พวกรางโหนาะาเป็นเห็นสมบัติโผล่ขึ้นมายังไม่ดีม ยังยังไม่พออีกยังอ า, อ า, อาจจะเอาล้อยหัวเมืองก็ได้ยจะไม่อิ่ก็ยิ่งอยากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้สักหน่อยนี่ความโลภมันมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้ก็บุญญาทิ่ใดมันมีฐานของบุญฐานของการปกครองมสมบัติไม่ได้แล้วไม่ได้ดูถูกการสร้างควมประหยัดอย่างนี้แต่ชาติไมช่วยดูดไล่อย่างนี้แต่ชาติรู้จักเก็บรู้จักใช้แล้วเป็นคนขยันหมั่นเพียรอย่างนี้สร้างจิตตัวนี้ขึ้นมาให้มันเป็นสมบัติขึ้นมา ฐานตัวนี้มันจึงจะมาวองรับการเก็บการใช้สมบัติอันนี้มีแต่เล่นอย่างเดียวมีแต่อย่างด้อยอย่างเดียวและทีนี้ใช้ชลุยชุ่ยไล่ด้วยเราไม่รู้จักควรและไม่ควรด้วยมันไม่มีถานฐานรับจะไม่มีลองลองดูไปถามที่คนมีสติปัญญาที่เขาเก็บทรัพย์สมบัติจริงเขาเจ็บเขารู้จักปัญญยัดเขารู้จักควรไม่ควรเห็นโทษแห่งการจับจ่ายใช้ท่าไปได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เขารู้ขาฉลาดฐานเขาขอเขาเรียกว่า ผมพ่อรวยมันถึงรวยพระไตรสารผมพ่อได้ม่นจึงได้สมพ่อหนี ม, หนนมันจึงหี้ของพอระไตรสารเนาะนี่เราพูดใช้พวกเราไปคิดไปการพากันสร้างบารมีสร้างดุลความสู้อดสู้ทนดูฐานะของเราเราเป็นชาวชาวนาเราเป็นชาวสวนเราเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นพ่อค้าก็แล้วแต่ดูกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์กำลังสารังของตนให้ใช้พย า, ายามใช้โนบัดนั้นให้ไปตามกําลังของตัวเองอย่าฝากฝืนเกินกําลังก็พังที นั่นเป็นเป็นนี่เป็นหญิงเขาพลุลงพลัจๆๆจงก็แสดแสดแฉกจมไปเลยยากลําบากก็ต้องค่อยอดค่อยทนทันหวัสู้อดสู้ทนทันหวังการสร้างตัวเองขึ้นมานี่ที่จะแบกไห้ผ่านกองทุกขากองยากกองลำบากมันไม่ใช่ง่ายๆ่ายอยู่เพราะพะองค์ดูแหวกถึงฉบับของวิทธเจ้าของเราเราพาะะัฒนาดูนกันอย่างนั้นอันนี้โอ้โ ห, โหน่าไปน่าไปทุกวันนี้เราดูแล้วหมด ยุคนี้เป็นยุคการอันตรายมากคนเรื่องคุณภาพคามไม่ดูสงสารก็ไม่ร้อยลงไม่ลงอย่างที่พูดมันอยู่จะพูดกับช้างอะไรตอนเช้าเราพูดถึงเรื่องนานไปพ่อแม่กับลูกก็จะหมดควเมตตากันนะมันไม่หมดยังไงเพราะมันกินมากนี่ากินยามากนี่ว่าให้เท่าไหร่มันก็ไม่ใหญ่ไม่โตความสงสารก็มีอยู่แต่มันจะหมดมันจะหิมเองมันจะเบียดเองนานไปเป็นร้อยทั้งร้อยอย่ามันจะเป็นหมื่อไหร่นันมันจะเป็นเลยเอาให้มันก็ไม่ดีหรอก แล้วจะให้ไงคับเนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เมตตาไปนี่ท่านเพียงท่านก็ปริจนาเห็นว่าควรทีไม่ควรท่านก็กรู้จักเนี่ยเราท่านพูดว่านานไปพ่อแม่กับลูกก็จะเบื่อกันนะระหว่างไงพ่อแล้วจะเบือ่อลูกนานไปพ่อมันไปทไําให้ไม่ถูกแล้วเอาให้เท่าไหร่ก็ผลทุกท่ายพ่อแม่ก็ปล่อยวางเจงอันนั้นจะมีค่าแหละเขเยี่ยงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เยอใหญ่มาแล้วก็ไม่ได้เยอใช้อะไรก็ไม่ได้ แม้คิดว่ามันเองก็ไม่ได้ไปอยู่บนอะไรเลยไม่ได้พูดดูถูกเนี่ท่านพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านที่พูดว่าควรเมตตาก็าาเมตตาควรกรุณาเพรากรุณาควรอุเบกขาเพอุเบกข า, ขาก็ต้องใช้อุเบกขาด้วยวางเลยแล้วจะไปมันคั้วไม่ได้มันจับไม่ได้จับแบกมกกันก็หนักไปเฉ ย, ยไม่ได้ไประโยชน์อะไรมันก็ต้องคนมีธรรมหกัก้ปเองไะฉลาดเองรอบรู้เอง เพราะธรรมชาตินั้นจับอีกเป็นฉลาดเขาผู้มีธรรมจึงได้สมบูรแบบตึงแต่เมตตาการุณนามมจิตาเป็นแบบแบบขาทั้งสี่นี้สมบูรณ์ผู้มีธรรมถ้าเป็น โ, โรคปวดทุกกับลูกเลยลูกทุกข์กับตายเขาลูกเลยนี่ถ้าแบบไม่มีธรรมปวดเพี้ยงไว้ได้ถ้าผู้มีธรรมจะต้องลดหย่อนฝันฝันรู้จักควรไม่ควรรู้จักให้รู้จักเสียสละท่านรู้จักของท่านเองถ้าผู้มีธรรมยิ่งบอกธรรมยิ่งเหวี่ยโลก ของฉลาดทางธรรมจึงเหนือโลกหมดไม่แบกทุกจนเกินไปถ้าโลกนับแบกจะจมไปเลยจมไปเลยท่านจึงว่าพากันเรียนวิชาธรรมความซื่อสัตย์จุจริย์เมื่อจะยบสรุปแล้วอยู่ในเาราเป็นข่าวว่าจำไว้ดีมาทุกสิ่งแทบจะพูดเรื่องนี้เพราะมันฐานอยู่ที่นี่มันยังไม่ไปได้สิ่งห้านี้เลยมันก็จะขัดกันแล้วเอาแปะปันได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีดีมากที่สุดเป็นมนุษย์แปะปันได้ครั้งหนึ่งสิ่งหานี้ พูดได้ตลอดทุกวันยิ่งเลือประเสริฐที่สุดอันนั้นรับรองเลยตายไม่ไปทุกติตอายุไม่ตกสันเิษานไม่เป็น อ, อันนั้นถ้ายิ่กล่าวอย่างเดียวทิเรียนร้กุบจริงเรียนสิที่เลนโฟกัสตั้ประทาใช้ยินย น, นําสูตรมาให้ในปัจจุบันไม่ต้องพูดว่าตายแล้วน้ำสูตรเอารองเลยนะถ้ามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ต้องไม่ไม่ได้มีทะเลาะ ก, กันเลยถ้าบอกไม่ประพฤตินอกใจกันและมีความสัตย์ความจริงหวังดีต่อกันด้วย ทำไมคาดความจริงมีอยู่ในหัวใจล้วน ๆ, ๆแล้วไม่ต้องแหวกออกไปประพฤติ น, นอกใจกันอันนี้ก็ไม่มีเลี่ยงแล้วปัจจุบันก็มีความสุขแล้วลูกดีด้วยก็อบุญด้วยผู้มีสิ่ห้านีลูกเกิดในห ก, ก็มีความอบุญเขาไปร่ำไปเย็นหนันงสือเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่อันนี้พ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกวันทุกวันไปเย็นหนันงสือก็ต้องคิดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยละระว่าถ้าทําลายสิย่งห้าก็เท่ากับทําลายเศรษฐกิจในครอบครัว แหลกไปหมดเลยแต่แล้วก็ครัวทําลายอย่างนี้ก็เท่ากับทําลายประเทศชาติเดี๋ยนี้มันจะเป็นอย่างนั้นมีน้อยที่สุมันดาอย่างอางอเภอปับคาดอย่างนี้มันได้สัก20ครอบครัวไปยินดีแน่หรอวะมันจะไม่ได้ซะเลยจริงมันหายากแต่มาสร้างศิลป์สร้างธรรนี้มันยากนี่เราพูดถึงที่ทุกข์กัิงเงี่ยสีที่เรนโปกับธรรมชาติที่นี่ก็เกิดดู รคนสมบัติกับลงมาและสีเลรโภกับสัมปทาการทำมาอาเลี่ยนชีพมันห่าเหมือนเทพบันดานเทว่าผู้มีวาสนาผู้มีวุญญาติการบมดเลยทาอะไรหากล่ํารวยถัดเป็นไปเน่ยที่ทางบอกเองที่คิดทับทะลุกุโกรมดำเนินไปก็มันเองตามแบบธรรมชาติเลยแต่ว่าสีเลรโภกับสัมปทานิเมื่อสีเลรโภกับสัมปานมีสมบัติทุกอย่างและรูปเสียงกลิ่นรสปวดประหัดชุกมโลกต้องการชุ่มโลกหาความสุขก็สมหัังเมื่อสมหวังอิ่มตัวในโวกการสมบัติรูปเสียงกลิ่นรถ พอตัวเลี้ยงตาในเกิดเหมือนพระพุทธเจ้า น, น, นักสนมแปดหมื่นมองเห็นเป็นอสุภะตาในเกิดไม่อยู่เอาสมบัติกี่ชั้นกี่เมนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่เกี่ยวตาในเกิดแล้วนั่นทนรทื่องกองบาลาีสมบูรณ์ออกลูกเดียวและที่เลยในกุฏิยังติดเสน่ห์เข้าสูน่นิพพานเลยทีสมบูรณ์แบบสมบัติท่านกิงกล่าวเนี่ยท่านกิงกาวตั้ แ, แต่กินไร้ที่เลยในกุฏิ ย, ย, ยังติด นี่ฉันดึงกาวไว้ขึ้นที่กาตั้งแต่เริ่มสินไหนก็ตามตั้งแต่สินห้าขึ้นายเป็นสินเข้าสูา่ว่าคุณกว่าทั้งหด น, นอกจากนั้นยังนับไม่ได้พวกให้ทานนี่มีเงินมีทองนับทไม่ได้เงินทองนี่ดีก็ได้ชั่วก็ได้มันขึ้นกับคนสิคนโลกมากกวเป็นอันตรายมันขึ้นคนชายเงินถ้ามีสินเข้าไปปุ๊บมีเงินมีทองเข้าไป ไ, ไม่เสียเอาไปคิดเลยไม่เสียเพราะทําตัวนี้เป็นเครื่องหนุนหลังมันจะบอกมันจะมันจะประคับประคองมันจะคลุ้งครองร้องกันเป็นเกาะ ต้องป้องกันป้องกันป้องกันก้องกันสลาดรอบสลาดรอบท่าไม่มีปัญหาในชีวิตทัานเมื่อจะตายก็ล่าเริงบันเทิงตายไปแล้วก็ว่าเริมบันถึงกลับมาเกิดก็ล่าเริงบันเทิงทั้จังหวัดที่ที่เลยสุขสิงห์เย็นสีที่เลยโป้ที่เลยอุตติงเย็นสีหน้าสมบูรณ์หมดถ้าสมบูรณ์แล้วพากันไปสร้างเอาที่นี่อย่างได้ถ้าอยากตกนรกก็พากันโกหกกันเก่งๆแล้วก็ต้มตุนกันเก่งๆหากินอะไรยามากกันมากๆ ลองดูว่าเลยเอาละไอ้ก็มันจะพูด